ธรมบทแปลเรื่องที่98เรื่องอนาทะบินดิกะเศรษฐีภาคที่หเรื่องที่สของวรคที่9ป้าปาปวักวันานาข้อความเบื้องต้นพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบเศรษฐีชื่ออนนาทบินติกะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า ปาโปปิปสตีพทรังเป็นต้นตอนท่านเศรษฐีบำรุงภิกษุสมณนนเป็นนิดความพิสดารว่าานาถพินทิกาเศรษฐีจ่ายทรัพ์ตั้ง54โกรในพระพุทธศาสนาเฉพาะวิหารเท่านั้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันไปสู่ที่บำรุงใหญ่ สามแห่งทุกวันก็เมื่อจะไปคิดว่าสามเณรก็ดีพิกสุนุ่มก็ดีพึงแลดูแม้มือของเราด้วยการนึกว่าเศรษฐีนั้นถืออะไรมาบ้างดังนี้ไม่เคยเป็นผู้ชื่อว่ามีมือเปล่าไปเลยเมื่อไปเวลาเช้าให้คนถือเข้าต้มไปบริโภคอาหารเช้าแล้ว ให้คนถือเพศัตว์ทั้งหลายมีเนยใสเนค้นเป็นต้นในเวลาเย็นให้ถือวัตถุต่างๆมีระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไหลและผ้าเป็นต้นไปสู่วิหารถวายทานรักษาศีลอย่างนี้ทุกๆวันตลอดการเป็นนิสทีเดียวตอนการหมดสิ้นแห่งทรัพย์ของเศรษฐี ในการต่อมาเศรษฐีย่อมถึงความสิ้นไปแห่งทรัพย์ทั้งพวกพาณิชย์ก็กู้หนี้เป็นทรัพย์18บโกดจากมือเศรษฐีนั้นเงิน18โกดแม้เป็นสมบัติแห่งตระกูลของเศรษฐีที่ฝังตั้งไว้ใกล้ฝั่งแม่น้ำเมื่อฝั่งพังลงเพราะน้ำซอก็จมลงยังมหาสมุทรทรัพย์ของเศรษฐีนั้น ได้ถึงความหมดสิ้นไปโดยลำดับด้วยประการอย่างนี้ตอนเศรษฐีถวายทานตามมีต่ำได้เศรษฐีแม้เป็นผู้อย่างนั้นแล้วก็ยังถวายทานแก่สงเรื่อยไปแต่ไม่อาจถวายทำให้พระนีตได้ในวันหนึ่งเศรษฐีเมื่อพระศาสดารับสั่งว่ากรหับพดี ก็ทานในตระกูลท่านยังให้อยู่หรือกราบทูลว่าพระเจ้าข่าทานในตระกูลกราบพระองค์ยังให้อยู่ก็แลทานนั้นใช้ข้าวปลายเกลียนมีน้ำส้มพระอุ่์เป็นที่สองตอนเมื่อมีจิตผ่องใสทานที่ถวายไม่เป็นของเลวทีนั้น พระศัสดาตรัสกเสิทธิว่ากรหะหะบดีท่านอย่าคิดว่าเราถวายทานเศร้าหมองด้วยว่าเมื่อจิตประณีตแล้วทานที่บุคคลถวายแด่พระอรหังทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นชื่อว่าเศร้าหมองย่อมไม่มีกรหะหะบดีอีกประการหนึ่งท่านได้ถวายทานแด่พระอริยบุคคล8ดแล้ว ส่วนเราในการเป็นเวลามะพรามกระทำชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นให้พักไถนายังมหาทานให้เป็นไปอยู่ไม่ได้ทักคินัยยะบุคคลายๆแม้พูดถึงซึ่งไตรสรณนะชื่อว่าทักคินัยะบุคคลทั้งหลายยากที่บุคคลจะได้ด้วยประการชนีเพราะเหตุนั้นท่านอย่าคิดเลยว่า ทานของเราเศ่้าหมองดังนี้แล้วแต่ตรัสเวลามา ส, สู่แก่เศรษฐินั้นตอนเทวดาห้ามเศรษฐีให้เลิกการบริจาคครั้งนั้นเทวดาซึ่งสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูของเศรษฐีเมื่อพระสาสดาและพระสาวกทั้งหลายเข้าไปสู่เรือนไม่อาจจะดารงอยู่ได้พระเดชแห่งพระสาสดา และพระสาวกเหล่านั้นคิดว่าพระศัสดาและพระสาวกเหล่านี้จะไม่เข้าไปสู่เรือนนี้ได้ด้วยประการใดเราจะยุยงคฤหอายดีด้วยประการนั้นแม้ใครจะพูดกับเศรษฐีนั้นก็ไม่ได้อาจเพื่อจะกล่าวอะไรอะไรในการที่เศรษฐีเป็นอิสระคิดว่ากบัฏนี้เศรษฐีนี้เป็นผู้ยากจนแล้ว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 เทวดาถ้าเช่นนั้นเชิญท่านพูดเถิดเทวดามหาเศรษฐีท่านไม่เหลียวแลถึงการภายหลังเลยจ่ายทรัพย์เป็นอันมากในศาสนาของพระสมณะโคดมบัดนี้ท่านแม้เป็นผู้ยากจนแล้วก็ยังไม่ละ ก, การจ่ายทรัพย์อีกเมื่อท่านประพฤติอย่างนี้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 เศรษฐีไปเธอท่านข้าพเจ้าอัานบุคคลผู้เช่นท่านแม้ตั้งร้อยตั้งพันตั้งแสนคนก็ไม่อาจให้หวั่นไหวได้ท่านกล่าวคำไม่สมควรจะต้องการอะไรด้วยท่านผู้อยู่ในเรือนของข้าพเจ้าท่านจงออกไปจากเรือนของข้าพเจ้าเร็วๆตอนเทวดาถูกเศรษฐีกับไล่ไม่มีที่อาศัย เทวดานั้นฟังคําของเศรษฐีผู้เป็นโสดาบันอริยาสาวกแล้วไม่อาจตํารงอยู่ได้จึงพาทารกทั้งหลายออกไปก็แลครั้นออกไปแล้วไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นจึงคิดว่าเราจะให้ท่านเศรษฐีอดโทษแล้วอยู่ในที่เดิมนั้นเข้าไปหาเทพบุตรผู้รักษาพระนคร แจ้งความผิดที่ตนทำแล้วกล่าวว่าเชิญมาเถิดท่านขอท่านจงนำข้าพเจ้าไปยังสานักของท่านเศรษฐีให้ท่านเศรษฐีอดโทษแล้วให้ที่อยู่แก่ข้าพเจ้าเทพบุตรห้ามเทวดานั้นว่าท่านกล่าวคำไม่สมควรข้าพเจ้าไม่อาจไปยังสานักของเศรษฐีนั้นได้ เทวดานั้นจึงไปสู่สำนักของเท้ามหาราชทั้งสี่ก็ถูกท่านเหล่านั้นข้ามแล้วจึงเข้าไปเฝ้าเท้าสกกะเทวราชกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบแล้วทูลวิงวอนอย่างน่าสงสารว่าข้าแต่เทพเจ้าข้าพระองค์ไม่ได้ที่อยู่ต้องจูงพวกทารกเที่ยวระหกระเหินหาที่พึ่งมีได้ก็ได้โปรดให้เศรษฐี ให้ที่อยู่แก่ข้าพระองค์เถิดตอนเทา้าสกกะทรงแนะนำอุบายให้เทวดาครั้งนั้นเทา้าสกกะตรัสกับเทวดานั้นว่าถึงเราก็จักไม่อาจกล่าวกเกษตีเพราะเหตุแห่งท่านได้แต่จักบอกอุบายให้แก่ท่านสักอย่างหนึ่งเทวดาตีละเทวเจ้า ขอพระองค์ทรงพระกรุณาตรัส บ, บอกเถิดเทา้าสกะไปเถิท่านจงแปลงเพศเป็นเสียนของเศรษฐีให้ใครนำหนังสือสัญญากู้เงินจากมือเศรษฐีมาแล้วนำไปให้เขาชำระทรัพย์18โกดที่พวกค้าขายถือเอาไปด้วยอนุภาพของตนแล้วบรรจุไว้ให้เต็มในห้องเปล่า ทรัพย์บกอดที่จมลงยังมหาสมุทรมีอยู่ก็ดีทรัพย์บ18บกอดส่วนอื่นซึ่งหาเจ้าของไม่ได้มีอยู่ในที่โน้นก็ดีจงรวบรวมทรัพย์ทั้งหมดนั้นบรรจุไว้ให้เต็มในห้องเปล่าของเศรษฐีครั้นทำกรรมชื่อนี้ให้เป็นธนกรรมแล้วจึงขอเข้ามาโทษเศรษฐีตอนเศรษฐีกลับรวยอย่างเดิม เทวดานั้นรับว่าดีละเทพเจ้าแล้วทํากรรมทุกๆอย่างตามในที่ท้าวส ก, กะตรัสบอกแล้วนั่นแลอย่างห้องอันเป็นสิริของท่านเศรษฐีให้สว่างสวยัยดํารงอยู่ในอากาศเมื่อท่านเศรษฐีกล่าวว่านั่นใครจึงตอบว่าข้าพเจ้าเป็นเทวดาอันธพาล ซึ่งสิงสถิตยอยู่ที่ซุ้มประตูที่สี่ของท่านคำใดอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วในสานักของท่านด้วยความเป็นอันธพาลขอท่านจงอดโทษคำนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดเพราะข้าพเจ้าได้ทำธนกรรมด้วยการรวบรวมทรัพย์54โกดมาบรรจุไว้เต็มห้องเปล่าตามบัญชาของเท้าส ก, กัดข้าพเจ้าเมื่อไม่ได้ที่อยู่ย่อมลบาบาก ตอนเศรษฐีอดโทษแก่เทวดาอนาถปินฑิกเศรษฐีจินตนาการว่าเทวดานี้กล่าวว่าทันตกรรมอันข้าพเจ้ากระทำแล้วดังนี้แล้วรู้สึกโทษของตนเราจะแสดงเทวดานั้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเศรษฐีนำเทวดานั้นไปสู่สำนักของพระศาสดา กราบทูลกรรมอันเทวดานั้นทําแล้วทั้งหมดเทวดาหมอบลงด้วยเสียงกล่าวแทบปาดพระยุคนแห่งพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ทราบทั้งพระคุณทั้งหลายของพระองค์ได้กล่าวคําอันใดชั่วช้าเพราะความเป็นอันธพาลขอพระองค์ทรงอดโทษคํานั้นแก่ข้าพระองค์ ให้พระศาสดาทรองอดโทษแล้วจึงให้ท่านมหาเศรษฐีอดโทษให้ในภายหลังตอนเมื่อกรรมให้ผลคนโง่จึงเห็นถูกต้องพระศาสดาเมื่อจะทรงโอวาสเศรษฐีและเทวดาโดยสามารถวิบากแห่งกรรมดีและกรรมชั่วนั้นแลจึงตรัสว่าดูก่อนคร้หบดี แม่บุคคลผู้ทำบาปในโลกนี้ย่อมเห็นบาปว่าดีตลอดการที่บาปยังไม่ผลิตผลแต่เมื่อใดบาปของเขาผลิตผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นบาปว่าชั่วแท้ฝ่ายบุคคลผู้ทำกรรมดีย่อมเห็นกรรมชั่วว่าดีตลอดการที่กรรมดียังไม่ผลิตผลแต่เมื่อใดกรรมดีของเขาผลิตผล เมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดีจริงๆทั้งนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสันีิแสดงธรรมจึงได้พาสิทธิพระกาถาเหล่านี้ว่าปาโปปิปสตีพัตรังยาวะปาปังนปัจติยดาจะปัจตีปาปังอาทะปาปานิปสติพัตโรปิปสตีปาปัง อย่าวะพัทรังนปั จ, จติยะดาจะปัจจติพัทรังอะทะพัทรานิปัสติติแม้คนผู้ทำบาปย่อมเห็นบาปว่าดีตลอดการที่บาปยังไม่ผลิผลแต่เมื่อใดบาบผลิผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วฝ่ายคนทำกรรมดี ย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วตลอดการที่กรรมดียังไม่ลผลิผลแต่เมื่อใดกรรมดีลผลิดผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดีตอนแก้อัดบุคคลผู้ประกอบราบกรรมมีทุจริตทางกายเป็นต้นชื่อว่าคนผู้บาปในพระคาถานั้นก็บุคคลแม้นั้น เมื่อยังเสวยสุขอันเกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งสุจริตกรรมในปางก่อนอยู่ย่อมเห็นแม้บาปกรรมว่าดีบาปประกาถาว่ายาวะปาปังนปัจจติเป็นต้นความว่าบาปกรรมของเขานั้นยังไม่ให้ผลในปัจจุบันภพหรือในสัมปรายภพเพียงใดผู้ทำบาป ย่อมเห็นว่าบาปดีเพียงนั้นแต่เมื่อใดบาปกรรมของเขานั้นให้ผลในปัจจุบันภพหรือสัมปรายภพเมื่อนั้นผู้ทำบาปนั้นเมื่อเสวยกรรมกรต่างๆในปัจจุบันภพและทุกในอบายในสัมปรายภพอยู่ย่อมเห็นบาปว่าชั่วถ่ายเดียวในพระคาถาที่สอง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 กรรมดีของเขานั้นยังไม่ให้ผลในปัจจุบันภพหรือสัมปรายภพเพียงใดคนทำกรรมดีย่อมเห็นกรรมดีชั่วอยู่เพียงนั้นแต่เมื่อใดกรรมดีนั้นให้ผลเมื่อนั้นคนทำกรรมดีนั้นเมื่อเสวยสุขที่อิงอามิตรมีลาและสการะเป็นต้นในปัจจุบันภพ และสุขที่อิงสมบัติอันเป็นทิพย์ในสัมปราภพบอยู่ยอมเห็นกรรมดีว่าดีจริงๆดังนี้ในการจบเทศนาเทวดานั้นดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลประธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้มาประชุมกันอยู่ดังนี้แลเรื่องอนาถบินที่กเศถี